ใครที่ฟุ้งเกินไปเขาจึงล้อกันว่าปัญญาเกินสติบางท่านจึงอธิบายว่าสติสัมปชัญญะนั้นไม่ใช่อื่นไกลคือสติที่มาคู่กับปัญญานั่นเองดังจะเห็นได้ในอัตถกถาทุกการนิบาทอังกุตรณนิกายภาคสองว่าการขาดสัมปชัญญะก็คือไม่มีญาณหรือปัญญา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 ต้องเป็นปัญญาที่มีสติกำกับอยู่เสมอดังจะเห็นได้ว่าเรายกย่องพระอระหันต์ว่าท่านมีปัญญาสูงสุดเป็นเหตุทําลายกิเลสได้ก็มีคำยกย่องพระอระหันต์ต่อไปอีกว่าเป็นผู้มีสติทุกเมื่อในพระวินยัยมีการยกประโยชน์ให้พระอระหันต์เมื่อมีใครโจทย์ทวงเมื่อยกสติวินยัยขึ้นมาชี้แจงว่า ราอ า, หารหันเป็นผู้มีสติอยู่เสมอก็เป็นอันยกฟ้องโจทได้เลยเพราะฉะนั้นคำพูดที่พูดติดปากคนไทยเมื่อพูดถึงปัญญาก็มักจะพูดว่าสติปัญญานั้นนับว่าเหมาะและถูกต้องตามหลักธรรมอยู่มากผู้เขียนจึงใช้คำนี้ในหัวข้อเรื่องด้วย